ไหนๆวันนี้ก็คุยเรื่องหวยกันแล้วนะครับอ่าท่านเขียนไว้ในเรื่องอ่า ความรู้ในทางพระพุทธศาสนามีเกี่ยวพันเพราะว่าเป็นฐาน แต่ว่าพระภิกษุสงฆ์น่ะมีญาณพิเศษได้เนี่ยจะ ที่เขาเรียกว่าอนาคตังสยานทะก็ไม่หวังจะหาๆน่ะ การจะบอกคนที่ไปขอ 2494 เลขหวย แต่ว่าหลวงพ่อฤาษีท่านเพิ่งจะอ่าเค้า เขียนตัว 3 ตัวไปมีเจ้ามือบาทนึงเข 600 บาทนอกจากนั้นก็ยังบอก ถ้าหลวงพ่อจะไปเรือจ้างแล้วก็บอกว่าแค่อยากจะรู้มันไม่ทันใจไม่ทันเวลาท่านว่าอย่างนั้น บางวัดไปถามเลข 3 ตัวพระให้มาถึง 9 ตัวให้ทั้งหมด 3 แถวอ่าไอ้ที่ให้ 9 ตัวนี่จริงๆไม่ได้สักองค์ ได้ยินเสียงร่ำลือกันหนาหูว่าหลวงพ่อไป อันเป็นวัดที่หลวงพ่อเขียนจำ 3 คนเป็นคารวาน 2 คนพระองค์นึงคือหลวง พอไปถึงศาลาวัดบางขุนเหนนก็มีศรัทธาญาติโยม เสร็จแล้วก็บอกว่าวันนี้คนดีๆเค้ามาหาเราเนาะเค้าจะลองดีเราเนาะแต่เราเออหลวงพ่อ อ่าพระเออคุณอดีตังสยาลที่มาจากทิพย์จักขุนี่สามารถให้รู้ ถึงความจริงเรื่องการจะรู้เลขหวยพระที่ผ่านมา จากนั้นใช้อนาคตังสญานตรวจดูว่าหวยที่มันจะออกๆว่า เอาสามตัวครับ 3 ตัวครับรางวัลที่ 1 มันมี 6 ตัวอ่ะเอา 6 ตัวเลย 6 ตัวขณะเขียนก็ถามว่าเออเลขท้าย 3 ตัวน่ะมันหมุนเออก็ถ้าให้ครบมา เป็นเลขแล้วก็เลขรางวัลที่หนึ่งแล้วก็แถมท้ายด้วยเลขท้ายสองตัวให้อีกชุดหนึ่งตัวหมุน 4 ครั้ง 4 หนนะแล้วก็เลขรางวัลที่ 1 แล้วก็ เออเอาคนที่นั่งอยู่ที่นี่ทั้งหมดนะนี้ไม่ว่าใครก็ลุกไปที่อื่นตอนนี้ไม่ได้คนที่นั่งอยู่ที่นี่ทั้งหมดนะเวลา เปิดวังการกระจายเสียงเรื่องหวยระหว่างนั้นหลวงพ่อเขียนครั้งหนหน 4, 4 หนกับ ครับเดี๋ยวพักสักครู่แล้วหลวงพ่อเขียนท่าน ซึ่งเป็นพระแล้วก็บอกว่าขลังทรงคุณพิเศษในพระศาสนา รู้แล้วเนาะว่าไม่เล่นน่ะ 20 งวดข้าง 20 งวดเลยแล้วก็เอาอ่าแล้วก็ 20 งวดแล้ว 21 ต่อก็ได้ กล่าวเท่านั้นหลวงพ่อเขียนก็หันไปหยิบกระดาษมาแล้วก็บอกว่าใส่กระเป๋าให้มิดชิดเนาะ ตาเอ็งแตกดับเมื่อนั้นเนาะชาวบ้านพวกชมรมคนรักหวยก็ช่วยกระซิบ ตอนกลางดึกประมาณ 02:00 เออหลับไปพักนึงเออท่านว่าแบบนี้ แล้วผมไม่เคยสนใจเพราะว่าพระ 10 กว่ารูปแล้วไม่เห็นตรงสักรูปเออเออจิตเค้ายังไม่เออมัน เอาแล้วที่นี่คุณอยากจะรู้เรื่องอะไร ขอให้พยายามสร้างสมบารมีให้มากขึ้นมากขึ้นเพราะ แต่เกรงว่าปลายมือในชาตินี้น่ะจะลาเสียก่อนน่ะเนาะเพราะเพราะอะไรล่ะครับเพราะเธอจะเจอพระเนาเนาะเมื่อพบเห็นพระเนาเข้ามากๆเธอก็จะเบื่อหน่าย ให้รู้ว่าสิ่งนี้เป็นธรรมดาของโลก การเดินทางมาคราวนี้ผม 2 คนต้องออกค่ารถค่าเรือทุกอย่างพระไม่เอ๊ะคนนึงเป็นนายอำเภออีกคนพวกกับผมโกง เออจริงเนาะโกงไม่เป็นนี่เนาะเมื่อโกงไม่เป็นอ้าวจะช่วยสงเคราะห์สัญญากับหลวงพ่อนาให้เลข 2 คนที่ได้เลข 12000 บาทเออมันน่าจะแทง 20 นี่หลวงพ่อเขียนท่านย้ำแต่เพียงว่าใครบาทคนนั้นเป็นห้อยทีนี้ถ้ากลับไปถึงบ้านน่ะก็ให้ลูกไปแทงซะ 20 เมียอีก 20 หลวงพ่อเขียนท่านบอกเพียงว่า จำไว้อย่างเดียวว่าหวยที่ได้มา แต่หลวงพ่อจะบอกใครไม่ได้เล่นเองก็ไม่ได้กรานคนนั้นก็ตาแตกดับมืดบอดยอมให้ดูโดยชี้แจงให้ทั้งแต 2 การผ่านไปถึงปีพุทธศักราช 2500 หลวงพ่อฤาษีลิงดำบาทช่วยค่ารักษาตัวพูดคุยอาจารย์อาจารย์มี หลวงพ่อฤาศมีท่านก็บอกกับเมตตาท่านไม่มีประมาณแต่ว่าไม่มีเลขหวยก็เลยบอกกับศรัทธาญาติโยมทั้ง 3 คนไปว่าหวยฉันก็มีแต่หวยที่ฉันมีเนี่ยเจ้ามือมันชอบอย่าเอาไปเลยครั้งที่ดีที่ แล้วถ้าเท่านี้ล่ะว่างแล้วก็ให้เขาไป 3 คนอ่าปรากฏว่า เดินทางมาจากอำเภอท่าเรือจังหวัดปราณครศรีธยามากราบเยี่ยมหลวงพ่อฤาษีดิงดำมีแม่อยู่คนเดียวพ่อไม่มีอีกคนนึงบอกฐานะยากจนมีน้องคนนึงกําลังเรียนฐานะยากจน พอไปถึงวัดบางคุณเนนหลวงพ่อท่านก็เมตตา ตัวไหนเล่นเกิน 20 บาทตัวนั้นจะไม่ถูกพอกลับมาเล่นหวยชาวเล 5 บาทตอนอ่าเด็กสาว เพื่อนคนอับโชคก็พลอยถูกไปกับ 5 บาทส่วนที่ตัวเองซื้อน่ะไม่ถูกฮะหลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านย้ําอ่า ท่านให้ใครเนี่ยท่านรู้แน่ชัดทีเดียวว่าอ่าพระที่จะ หลวงพ่อฤาศรีลิงดำท่านไปสวัสดีครับ